อายุภาพีงามงามตึงจิตยิงธิดยีงามเพิมความรักระทมยิงตรอมโฉมโฉมยิงยวนยิงชวนให้ชมชมยิงกล้ยิงใจระทมยิงพร้อมพร้อมใจโอ เอ่ยใจชะนายฝ่ายรักไม่เคยละรื่นปลุกใจปลายปานทุกวันทุกคืนโคมคืนหัวใจมีใครนอกใครใดพี่อยากจะมากหัวใจ ใจเจ้าเล่าเจ้ากูกับใคราหากใจยังไม่มีที่นิยมขอให้พี่ชมชมให้ชื่นให้รื่นอารมณ์ชมเจ้าอยู่เป็นกูพี่รมชืนชมใจเจัวยอดทั่วใจพี่เอ Cham. Mm -hmm.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 I just say, I just say, I just say,